วิญญาเสียงอิสลามนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยทบทวนในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับก็เน้นย้ํากันอย่างนี้เป็นประจำนะครับที่ให้เรานั่นได้ตระหนักนะครับว่ากุรอานที่เป็นวะยูที่ถูกประทานใแก่ท่านอบีุลอสลลัลลอฮิวะอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นธรรมนูนนะครับเป็นทางนำและเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาตินะครับด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องพยายามที่จะต้อง ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อํำอัลกุรอานมาเป็นวิธีหรือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในสุระอัลกอซัสนะครับวันนี้เริ่มที่อายะที่8ดนะครับในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือที่อัลลอฮฺสุภานาหัวตาลาได้อิดายะนะครับ ให้กับแม่ของนบีมูซาในการที่จะให้นบีมูซานั้นรอดพ้นจากการตามล่าหรือการเข็นฆ่าของเซรา อ, อุนอย่างไร้เหตุผลนะครับโดยการให้แม่นั้นตัด ส, สินใจที่จะโยนท่านนาบีมูซาลงไปในแม่น้ํานะครับเพื่อให้รอดพ้นจากาสายตาของทหารที่เดินตรวจว่ามีเด็กตรงไหนอย่างไรก็จะได้สังหารนะครับ ใน ย, ย่อถัดไปย่ที่8นะครับฟันตะตะหูอาลูฟิรอานลียกูนอารมอัลูวะฮะซนาข้์นี้บอกว่านะครับบรรดาบริวารของเฟรอานะครับก็ได้เก็บนะได้เจอตะก้าหรือได้เจอสิ่งที่แม่นบิมูซาได้ใส่นบิมูซาลงไปนะครับก็คือตะก้านะครับลอยน้าไปก็เก็บได้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการเาเรียกว่า การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาและแน่นอนอย่างยิ่งนะครับนะการที่เฟรเอลบริวารของเฟรเอลได้เก็บนบีมูซาได้แล้วก็เอามาบอกเอามานําเสนอให้กับเฟรเอลและภรรยานะครับเพื่ออะไรครับแน่นอนครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจากว่านาบีมูซานะ่าหรือเฟรเอลนี่จะเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน ความหมายนั่นก็คือว่าแน่นอนอย่างยิ่งเฟรบเอาไม่ต้องการให้นบีมูซาเกิดหรือพูดง่ายว่าบานีอิสร อ, อีนที่จะมีเด็กเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาและทำลายบรรลังของเขาแต่แล้วนะแผงการของอล็อกซุปฮานอัตตาลานั้นเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาได้มีศัตรูแ ล, และก็โศกเศร้าของเป็นเป็นเป็นสัญญาณแห่งการ เ, าเริ่มต้นของการสูญสลายของบรลังของเฟบเอาแ น, น่นอนนะครับ อินน่ฟิรอาเนว่ฮามานวายูนูนักุมการนูคอตินชัดเจนนะครับว่าเฟิรเอาและฮามานทหารของเขานั้นนะครับบริวารของเขาที่อาหังกาทีเ่เรียกกันว่าคิดว่าตัวเองนั้นเก่งกาดคิดว่าตัวเองนั้นแยียบยนแล้วก็ทําทุกอย่างไม่ให้มันเกิดอะไรที่พวกทํานายไทยทัก์ได้บอกเอาไว้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาก็คิดว่าเขาสามารถที่จะ ระ ง, งับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับว่าแผนการเหล่านี้เ ป, นเป็นแผนการที่คิดขึ้นมาของเฟรเอลและทหารและคนใกล้สนิทหรือบริวาร น, นะครับเพราะคิดว่าเขานั้นมีมีอำนาจเขานั้นมีศักยภาพนะเขานั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควบคุมได้ทั้งหมดนะครับแต่ลืมนึกไปว่าแผนการเหล่านี้ที่เอาล็อกุพาณหัวตาลาก็ต้องการให้บัลลังก์ของเฟรเอล นะครับถูกทำลายด้วยกับสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสามารถขจัดได้นะครับนั่นก็คือนะบุคคลจากบันิอิสรออีนที่อยู่ใต้การกดขี่ข่มเหงของเฟรเอนะ์เอาณตอนนั้นนะครับนั้นเฟร์เอ์อแล้วก็ฮามานแล้วก็ทหารของพวกเขาบริวารพวกพวกเขานั้นคิดผิดนะแล้วก็ทำผิดอย่างมหันต์นะเราอยู่ใน ในในการกระทําหรือในแวด ว, วงของความผิดพลาดทั้งสิ้นวกัลติมโรออาตุเฟราอุนนะหลังจากที่ <c oughs> เด็กคนนี้คือน บ, บีมูซานนั้นถูกเก็บขึ้นมาแล้วก็ถูกนําเสนอแน่นอนแหะครับเป็นการกังวลของเฟราอานที่รู้อยู่ว่านี่เป็นเด็กนี่เป็นเด็กที่เขาสั่งการให้มีการเข็นฆ่าเกิดขึ้น เด็กที่เสียชีวิตนะครับในช่วงนั้นที่ถู ก, ถกทหารจับมาแล้วฆ่าแบบไร้เหตุผลไร้ความปาราณีนั้นด้วยคําสั่งของคนคนเดียวนั่นก็คือเฟรราลนที่มีอำนาจที่มีบารมีณตอนนั้นสุดท้ายทำไมครับเมื่อนบีมูซานะครับมาอยู่ต่อนหน้าภรรยาของเฟร์ราลนภรรยาของเฟร์ราลนอัลลอฮ์ให้ความรักความเอ็นดู นะให้เกิดขึ้นในหัวใจของภรรยาขอเรานะหล่อนจึงได้บอกว่าโอเฟรีร์เลาเด็กคนนี้เป็นผู้ที่หรืออ ย, อ, ยอย่าอย่าอย่าฆ่าเขาเลยอย่าฆ่าเด็กคนนี้เลยเพราะเด็กคนนี้รู้เหมือนว่ามันนาน่าชื่นชมแล้วก็ดูแล้วสดชื่นดูแล้วเรามีความมีความเขาเรียกว่ามีความสุขนะแน่นอนอย่างยิ่งครับนี่คือ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เฟร์เอร์าใจอ่อนแล้วแต่ว่าลึกๆ ก, ก็ยังกังวลอยู่ลึกๆ ก, ก็ยังกังวลอยู่ว่าเด็กคนนี้จะหวนกับมาทำร้ายหวนกับมาทำให้บัลลังก์ของเขาที่เขาสร้างขึ้นที่เขาคิดว่าเขามีความยิ่งใหญ่ดังนั้นจะทลายลงนะครับก็แน่นอนครับตามประวัติศาสตร์ที่เราจะได้ยินแลวก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับว่าฟร์ J day, เอาได้วางสองสิ่ง นะเพื่อทดสอบนะครับแล้วก็ภระยาเฟลดก็ต้องยอมรับเพราะต้องการพิสูจน์ว่าว่าตรงนี้เนะีเนื่องจากเฟรดเอานั้นยังเป็นกังวลเพราะยังมีเด็กผู้ชายที่จากบันนีอิสวาเอด้วยนะครับที่เขาได้สั่งการในการสังหารในการปราบปรามนะพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเด็กทารกไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยแต่ใช้ทหารที่มีอาวุธครบมือนะฮะเดิน ตามหน้าตามสอบตามซอยตามบ้านทุกหลังที่มีเด็กเกิดที่มีเด็กในวัยอย่างนี้อย่างนี้นั้นค่าเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะอย่างนี้หรือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ที่ปกครองเป็นผู้ที่มี อ, อ, อำนาจมีศักยภาพในการดูแลนะตรงไปข้างครับนี่คือการซ่อเล็มนี่คือการเห็นแก่ตัวนี่คือการคิดนะจะเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่ด้วยความคิดด้วยความเข้าใจ ของความหวาดกลัวในการจะสูญเสียบัลลังก์สูญเสียอำนาจสูญเสียทรัพย์สูญเสียสิ่งที่เข า, าใช้ในการมีความสุขน่าริงทั้งหมดเหล่านี้นะครับเขาจึงได้วางแผนการนะครับก็คือให้มีนมแล้วก็มีฐานไฟที่ลุกชดช่วงที่พุง่งเยาวะมีทาเด็กเนี่ยมันก็จะ ถ้าเด็กเลือกนมนะที่อยู่ในแก้วนั่นหมายความว่ า, เ, าเด็กคนนี้ฉลาดเยกแยะออกแต่ถ้าเด็กรู้สึกเออนี่มันตื่นเต้นดีมีอะไรเวบแวบขึ้นมาเนี่ยนะด้วยการเป็นเด็กเนี่ยนะควรจะต้องเลือกอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นการวางแผงนเะนี่ยเพื่อเี่ียทดสอบนะและแน่นอนนะครับใจวันๆของภรรยาของเฟโร อ, อานั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้แต่ เพื่อต้องการพิสูจน์หรือต้องการให้เฟร์เอวนั้นตายใจหรือพูดง่ายว่าไม่ค่าเด็กคนนี้คือนบีมูซ่าอะลัยซัลลัมจึงยอมในแผนการอันนี้และสุดท้ายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานาฮฺอัละตาลาให้มาเลย์กัตนั้นได้มาช่วยแล้วก็ให้นบีมูซานัได้จับฐานแล้วก็เอาใส่ปากนะครับนั่นเป็นเหตุที่นบีมูซาจึงพูดไม่ค่อยชัดนะครับนั่นก็และทําให้เฟรเอวมีความเคเรกเบาใจ นะอุ่นใจว่า เ, เด็กคนนี้ธรรมดาไม่มีไม่พูดง่ายว่าไม่มีพิษสงอะไรนะครับและก็แน่นอนครับจากคนในครอบ ค, ครัวที่ยืนยันว่าถ้าเราเลี้ยงเขาถ้าเราดูแลเขาถ้าเราให้ความสุขแ ก, เก่เขานะครับเขาก็ต้องเป็นลูกเราเขาก็ต้องยอมรับยอมฟังในสิ่งที่เราเป็นนะที่เราเอาจึงได้อุ่นใจตายใจแล้วก็ปล่อยให้นบีมูซานั้น อ, อ, อยู่ในวังนะครับ ภรยาของนบีมูซาได้วางแผนการหรือได้พูดถึงคำพูดที่ทำให้ฟิรเอวนั้นใจอ่อนลงนะครับนั่นก็คือที่บอกว่ากคตรตัวไอนุ ล, ลีวะละนะเด็กคนนี้เนี่ยเวลาเรามองเราและท่านเวลามองต้องยอมรับว่าททำให้มีความสุขเห็นเด็กคนนี้น่ารักเห็นเด็กคนนี้มันทำให้หัวใจของเรานั้นพองโตและมีความสุขลาตักตูรูอย่าฆ่าเขาเลย นะอย่าสังหารเด็กคนอื่นขอสักคนละกันอาซาไอยันฟ้านาเอานัตคีละหูวลดานะหวังว่านะครับเราจะได้ประโยชน์กับเขาหมายถึงจะได้เย็นตาจะได้มีความสุขครั้งที่เห็นเด็กวิ่งเล่นในท้องพระโรงและเด็กคนนี้คือใครก็เด็กคนนี้ก็คือพูดว่าเราก็รับมาเป็นลูกของเราเอานัตคีลหูวลดาหรือนับเอาเขานั้นมาเป็นลูก นะครับที่พูดง่ายว่าอยู่ใต้การดูแลของเราอย่างแท้จริงนะครับวะหุมลายาชองรุนนะพวกเขาทั้งหลายไม่รู้สึกเลยหรือไม่ไม่สามารถที่จะรู้ตัวเลยได้นะครับว่านี่คือแผนการหรือนี่คือบุคคลที่เฟื่องเอากำลังกลัวอยู่นี่คือบุคคลที่เฟื่องเอากำลังตกวิตตกกังวลอยู่แต่สุดท้ายนะครับศัตรูที่เขากลัวสิ่งที่เขากลัวก็อยู่ในบ้านของขยืนอยู่ต่อหน้าเขา นะเป็นบุคคลที่เขาเลี้ยงดูประครบประโ姆นะครับแล้วก็ทำให้มีทั้นเรดการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะพวกเขายังไม่รู้สึกตัวพวกเขายังไม่สานึกนะครับนั่นก็คื อ, อ, อตรงนี้นะครับเอาล็อกสุภาโนตลาทาให้เห็นนะครับว่าแผนการของมนุษย์ที่คิดอะไรก็แล้วแต่อยากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะมี อะไรหรือมีอำนาจเหนือแผนการของอัลลอฮ์ได้นะครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องพยายามนะที่จะได้มองในวิถีหรือการใช้ชีวิตนะครับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่จะเกิดหรือไม่เกิดก็แล้วแต่เรานะ ค, ควรจะต้องเดินหรือปฏิบัติในตามวิถีหรือขั้นตอนของชีวิตนะที่ จะต้องเดินไปโดยที่ไม่อยา่าไปคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่าคิดว่าเราจะทำอะไรก็ได้เท่าที่เราอยากจะทำเพราะเรามีอำนาจเรามีความสามารถอย่างนี้คือตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆนะครับวันนี้เราอ่านอัลกุรอานวันนี้เราเรียนประวัติศาสตร์วันนี้เรามองในในหลายๆด้านหลายๆมุมเราจะมีอาจจะมีความรู้สึกว่ามันก็ก็อะไรนะเหมือนกับได้ ผิดพลาดไปนิดนึงนูน่นนี่นั่นแต่พี่น้องลองคิดนิดหนึงว่าในวินาทีอย่างนั้นเนยในวินาทีของเหตุการณ์ที่อทหารเดินมาเต็มซอยเลยทหารเดินเปิดทุกบ้านพร้อมดาบที่ชักออกมาแล้วพร้อมจะฟันนะความน่ากลัวความเอ่อเขาเรียกกังวลนะการสูญเสียมันอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยนะนะความรู้สึก ความเหตุการณ์ที่มั น, ม, นมันเป็นแบบนี้จะทําอย่างไรและเช่นเดียวกันนะครับว่าการที่แม่คนหนึ่งจะยอมทิ้งลูกไปท่ามกลางความอันตรายนะครับที่เขาเรียกว่าหนีเสือป่าเชลเช่ตรงนี้ก็คนที่จะพร้อมเข็นฆ่าพร้อมจะทําลายลูกนะครับของตัวเองข้างหน้าก็คือเป็นแม่น้ำนะครับลำธารเป็นแม่น้ําที่ไม่รู้ว่า จะไปอย่างไรแต่ด้วยกับการโดนใจของล็อกสุภาตลาดนะครับให้แม่นาบีมูซามีความเข้าใจแล้วก็มีความตระนักนะและมีความหวังว่าลูกนั้นยังมีโอกาสรอดนะครับพูดง่ายๆว่าข้างหลังนี่มีตายกับตายข้างหน้าตายกับรอดยังเขาเรียกว่ายังมีตัวเลือกจึงมีความหวังที่จะบอกว่ายอมที่จะให้ นบีมูซานั้นใส่ในตะกร้าและออลอยน้าไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับนั่นก็คออือหัวใจของคนที่เป็นแม่พี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลอยไปแล้วก็กลับไปนอนปกติเป็นไปไม่ได้นะด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้เราทุกคนอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่คนแล้วนะครับการที่ให้ลูกไปไกลจากตัวเองเนี่ยนะ ไม่ได้ว่าอันตรายไม่ได้ว่าจะต้องไปเรื่องระหว่างเป็นกับตายนะเปล่าเลยเพียงแค่ไปไกลจากเราอยู่ห่างจากเราหรือไป เ, อเข้าค่ายอบรมเยาวชนนะฮะตามมัสยิดต่างๆเรายังกังวลส่งไปเรียนตามที่ต่างๆที่ไกลบ้านออกไปไปอยู่หอพักเรายังเป็นห่วงแล้วนี่แหละครับนะอันนี้คือเปรียบเทียบความรู้สึกให้เห็นว่า แม่นบิวุสะมียิ่งกว่าที่เรามีว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแล้วอยู่หอพักแล้วเราต้องเป็นกังวลส่งลูกไปเข้าค่ายแล้วเรายัางเป็นกังวลจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะนอนยังไงได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทั้งหมดเหล่านีนะ้เป็นความกังวลของคนที่เป็นพ่อแม่นะครับแต่ผมอยากจะได้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่านี่คืออีมานีน่คือความกล้าตัดสินใจ ของผู้เป็นแม่ที่รักลูกอย่างเหลือล้นนะครับในอัลกุรอานอีกญ้อหนึ่งนะครับได้บอกว่าหัอัศบะฮ์ฟูอาดอุมิมูซาฟาราะฮ์พูง่ายว่าหัวใจของแม่ของนบีมูซาไม่คือไม่มีอะไรนอกจากการที่คิดกังวลห่วงใยนะมิดในนี้ในหัวใจไม่มีอะไรเลยนอกจากว่ามูซาจะเป็นยังไงนบีมูซาจะเป็นยังไงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรแล้วนะฮะหวังว่านะฮะจะ รอดหมายถึงไม่ได้ไม่จมนะหวังว่าอย่างนั้นนะครับอิงกาณัตตะตุบดีบิฮีลาลาอารบาตนา阿拉กลบิฮะลิตะกูนามินบูมีนีนนะครับอันนี้แน่นอนอย่างยิ่งนะครับว่าการที่แม่คนหนึ่งที่ตกอยู่ในวังวนของความเป็นห่วงนะไม่ไม่คิดอย่างอื่นหัวใจไม่มีไม่มีอ เขาเลยกระจิตกระใจจะคิดอย่างอื่นเลยนะครับนั่นก็คือมันเป็นการวิตกกังวลของคนที่เป็นแม่ของเด็กคนหนึ่งที่เขารักที่เขาหวงแหนและแน่นอนครับแม่นบีบรูฮาเกือบที่จะเผยเกือบที่จะพูดด้วยความเป็นห่วงนะไม่ใช่ว่าจะจะได้บอกว่าฉันก็มีลูกเปล่าด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความรัก เกือบจะเผยไปแล้วว่าลูกของฉันเป็นอย่างไรบ้างลอยไปตรงนู้นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ด้วยกับการอิจฉาของอลอสซุพหานโดนใจให้นางนั้นมีความมั่นคงมีความยึดมั่นมีความกล้าและมีความตะวะกุนมอบหมายต่ออลอสซุพหานะคตาล่พูดง่ายๆว่าอยู่กับเราเขาก็ตายนะข้างหน้ามันมีตายกับรอดยังมีทางขริกยังมีทางเลือกนะครับดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับ คามห่วงใยของผู้เป็นพ่อแม่มันมีเกิดขึ้นได้แบบปฏิเสธไม่ได้แต่พี่น้องต้องคิดกันครับว่าอยู่กับเราก็ตายนะไปจากเรานะครับโอกาสตายก็มีโอกาสรอดก็สูงนะพูดง่ายว่ามันห้าสิบห้าสิบดังนั้นแม่นบีมูซานะครับจึงได้เลือกเส้นทางที่มีทางเลือก ในการที่ยังมีชีวิตหรืออย่างนั้นที่มีทางรอดนะครับก็แน่นอนนะครับก็ด้วยกับการอินหามหรือการดนใจของลอสุภาโนวาตาลาให้แม่นับบีมูซานั้นมีความมั่นคงมีความหนักแน่นในการเชื่อมั่นในสัญญาหรือในออการช่วยเหลือของลอสุภานาหัวตลาลลนะครับลิตากูนามินมันโมมินีนเพื่อเพื่อนางหรือเพื่อแม่นับีมูซานั้นจะได้เป็นบุคคลหนึ่งจากเหล่าผู้ที่ ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะครับนั้นนี่ก็คื อ, ค อ, อสิ่งที่เราจะได้รับท ร, ราบเพราะคุรานบอกเราแน่นอนนี่คือประวัติศาสตร์แต่ในประวัติศาสตร์จะมีคําสอนจะมีคําบอกจะมีตัวอย่างให้เราได้รู้ได้ เ, เห็นนะครับว่าบุคคลที่รักลูกของตัวเองแบบแบบไม่มีเหตุผลเลยนะจะยังไงก็แล้วก็รักนะสุดท้ายทำไมครับด้วย การเป็นห่วงด้วยความรักจึงต้องสละนะสละตัวเองจึงต้องสละความสุขของตัวเองจึงต้องสละสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเราปกป้องได้อะไรก็แล้วแต่นะปล่อยให้เข้าไปนะครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราจะเปรียบเทียบตรงนี้นะครับลูกหลานของเรานะเรารักเ่าเป็นห่วงนะครับแต่ถ้าอยู่กับเราเขาจะได้อะไรอยู่กับเราเขาจะมีผลอย่างไรอันนี้เราต้องคิดเหมือนที่ แ, แม่เหมือ แ, แม่นบีมูซาคิด รักก็รักห่วงก็ห่วงกลัวก็กลัวมีหมดเลยแต่สุดท้ายอยู่โอกาสเสียชีวิตมีแน่นอนแต่ออกไปนั้นมันมีทางเลือกนะครับจึงให้ทางเลือกที่มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราส่งลูกเรียนส่งลูกไปศึกษาหรือเข้าค่ายมีทางรอดมีทางเลือกตรงนั้นอยู่กับเราไม่มีทางเลือกครับมีแต่จมกับจมอย่างเดียวเพราะเนื่องจากเราไม่มีเวลาหรือเนื่องจากว่าศัตรูที่มันรอบล้อมเราอยู่ที่บ้านนั้นมันมากกว่าและมัน จูดโจมอย่างเราไม่ได้ตั้งตัวเลยจริงๆนะครับนี่ก็เป็นการเหมาะให้เห็นภาพของอสิ่งที่คุรานได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปเลยครับสลำา ห, า ห, า ห, าหาลรับวะไรกุ้มตัลลอฮฺบอกราคาตุ